เพเอระยุทธยอดเยยมสาธุชนทุกท่านทุกเช้าเมื่อเราตื่นขึ้นอาตอมาเชื่อว่าหลายคนออยมีความปรารถนาในใจนะจะจะให้วันนี้เป็นวันดีเลอกดียามดี อยากจะให้เราได้ประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตคอา น, นี้เลือกดียามดีวันดีขนาดดีมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหลายคนก็นึกถึงดวงดาวนะเพราะคิดว่าถ้าดวงดาวนะเข า, อ, าอยู่ใน ตำแหน่งที่ดีก็จะพลอยทำให้ชีวิตเราดีทำให้วันดีไปด้วยจากสรชาพูดแล้วเนี่ยเลอกดียามดีเวลาดีขณะ ด, ดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวนะมันขึ้นอยู่กับตัวเราขึ้นอยู่กับการกระทาของเรานะขึ้นอยู่กับว่าเราได้ทำความดีหรือไม่ เราได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์หรือไม่ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกว่าดวงดาวเนี่ยนะเป็นจะเรียกว่าส่วนเสริมนะเป็นตัวรองแต่ไม่ใช่ตัวหลักตัวหลักคือการกระทำของเราและที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากมันขึ้นอยู่กับ การทำดีของเราแล้วเนี่ยยังขึ้นอยู่กับการวางใจของเราขึ้นอยู่กับมุมมองของเราด้วยหลวงพ่อชาท่านเคยชูกิ่งไม้มากิ่งหนึ่งแล้วก็ถามลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์เนี่ยกิ่งไม้เนี่ยมันสั้นหรือยาว แต่ละคนก็ตอบไม่เหมือนกันหลวงพ่าชา้านก็บอกอธิบายฉเฉลยว่ากิ่งไม้เนี่ยนะถ้าเราต้องการกิ่งที่ยาวกว่า น, นี้กิ่งที่ถืออยู่ก็สั้นถ้าเราต้องการกิ่งที่สั้นกว่านี้กิ่งที่ถืออยู่ในมือก็ยาวแต่ว่ารแต่ว่ามันจะสั้นหรือยาวเนี่ยขึ้นอยู่กับมุมมองของเราขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยถ้าเราอยากได้กิ่งยาว มันก็สั้นถ้าเราอยากได้กินกนก่นสั้นกิ่นกิ่นสั้นมันก็ยาวนั้นเลิกดียามดีหรือว่าเลิกร้ายยามร้ายเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราด้วยนะส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนสำคัญด้วยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกระทำของเราการกระทำของเราในที่นี้ไม่ได้หมายความเฉพาะว่าเรา ทำดีมีสีหรือไม่แต่ยังขึ้นอยู่ว่าเรารับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างไรมีผู้ชายคนหนึ่งตอนเช้าเนี่ยเขาก็นั่งกินอาหารกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวอายุสิบขวบ ระหว่างที่คุยกันไปทานอาหารกันไปลูกสาวเนี่ยก็บังเอิญทำแก้วน้ำตกแตกน้ำนี่ก็เลอะพื้นนองพื้นพ่อก็โมโห ว, ว่าลูกอย่างแรงซุ่มซ้ามสบเพร่าลูกเนี่ยโดนพ่อว่าก็ร้องไห้ แม่ก็เลยตำหนีพ่อว่าทำไมพูดจารุนแรงทำไมใช้อารมณ์ก็เลยเกิดการทะเลาะ ก, กันระหว่างพ่อกับแม่ระหว่างสามีกับภรรยาก็เป็นปากเสียงกันอยู่พักใหญ่จกนกระทั่งพ่อเนี่ยได้สติขึ้นมาดูนาฬิกาอุ๊ยมันเลยเวลาไปแล้วนะเวลาที่ต้องออกจากบ้านเนี่ยมันเลยไปแล้วสิบนาทีก็เลยรีบนะ ขึ้นไปห้องนอนเก็บเอกสารต่างๆใส่กระเป๋าทำงานแล้วก็รีบลงมาเพื่อจะขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนก่อนที่จะไปทำงานกรุงเทพนี่นะถ้าออกช้ากว่ากำหนดสักสินาทีนี่ก็มีผลเยอะนะก็คือรถติดยาวเลยก็กลายเป็นว่าส่งลูกไปโรงเรียนช้าลูกก็ถูกครูลงโทษตัวเองเนี่ยก็ไปถึงที่ทางานช้า เจ้านายก็มารออยู่ที่หน้าห้องด้วยสีหน้าที่หมุนหงิเพราะว่ามีประชุมใหญ่กับลูกค้าสำคัญด้วยตัวเองเนี่ยไปประชุมสายยังไม่พอเวลาไปประชุมเนี่ยก็ลืมเอาเอกสารสำคัญมาโอนประชุมกันไม่ได้เรื่องเลยนะเสียหน้าเสียงานเจ้านายก็ว่าเขาก็เลยเอารมณ์บูด ทั้งบ่ายเลยเพื่อนมาหยอกล้อครนนี้เขาไม่มีอารมณ์จะล้อจะเล่นด้วยเขาก็ด่าว่าเพื่อนก็เกิดโต้เถียงกันนะก็กลายเป็นว่างานไม่ได้ทำแถมบรรยากาศในที่ทา ง, งานก็กลายเป็นบรรยากาศที่มาคุกก็เป็นนะว่าวันนั้นทั้งวันเนี่ยไม่ได้งานเลยนะขับรถกลับบ้านด้วยความห ง, งุดหงิดก็พ ว, กว่าเกิดการเฉียวชน นะกลางทางต้องรอประกันมาเสียเวลาอีกรถก็ข้างหลังก็ติดกระนาวกว่าจะไปถึงบ้านก็ค่ำนะภรรยาและลูกก็รอกินข้าวด้วยกันพอเขาเจอภรรยากับลูกเขาก็อารมณ์เสียใส่ภรรยาว่าเธอนี่แหละที่ทําให้เนะี่ยฉันเนี่ยไปโรงเรียนส่งลูกไปโรงเรียนสายแล้วก็ไปทํางานช้า ภรราก็เถียงเลยก็ก็เลยเกิดการวิวากันอีกรอบลูกนี่อารมณ์ลูกนี่ตกใจนะเห็นพ่อแม่ทะเลาะ ก, กันก็ขึ้นไปห้องของตัวแล้วก็ร้องไห้ส่วนพ่อแม่สามีภรรยาก็ทะเลาะ ก, กันจนทังถึงเวลาก็กลับขึ้นไปนอนทุกคนก็นอนไม่ค่อยหลับ พา่ามีความเครียดเลามาทั้งหมดนี่ก็คงจะเห็นนะว่าสำหรับผู้ชายคนนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยคือวันซวยวันไม่ดีเลยนะเพราะว่ามันมีเรื่องตลอดมาเรื่อยนะเป็นทอดๆเลยนะถามว่ามันเกิดจากอะไรหลายคนจะบอก ว, ว่ามันเริ่มต้นมาจากการที่ลูกสาวทำแก้วน้ำตกแตกแต่ไม่ใช่นะ ถ้าเกิดว่าลูกสาวทำการน้ำตกแตกแล้วพ่อเนี่ยมีสติแทนที่จะด่าว่าลูกก็เตือนลูกว่าลูกกินน้ำก็ให้มีสติระวังหน่อยลูกก็ไม่ต้องร้องไห้ภรรยาก็ไม่ต้องมีเหตุให้มาทะเลาะกับสามีได้เวลาหกโมงครึ่เอาเจ็ดโมงนะได้เวลาก็ เก็บเอกาสารเนื่องจากไม่ต้องรีบไม่ต้องรนก็เลยเก็บเอกาสารได้ครบใสก่กระเป๋าขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนก็ทันเวลาตัวเองเนี่ยก็ไปถึงที่ทํางานก่อนเวลาถึงเวลาไปประชุมกับลูกค้าก็เอาเอกาสารที่เตรียมมานําเสนอได้ครบถ้วนเจ้านายก็ชมนะว่าวันนี้คุณนําเสนอได้ดี การประชุมสำเร็จตัวเองก็มีความสุขดีใจถึงตอนบ่ายก็มีกำลังใจมีเรียวแรงทำงานเพื่อมาหยอกล้อเนื่องจากเขาอารมณ์ดีใช่เขาก็เลยหยอกล้อกับเพื่อนกับไม่มีการทะเลาะกันถึงเวลาขับรถกลับบ้านก็กลับได้ถึงที่หมายไม่เกิดการเชียวชนเจอลูกเจอภรรยาก็ยิ้มแยม้มนะพูดคุยหยอกล้อกัน ทุกคนวันนั้นเนี่ยนอนอยางมีความสุขสองเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกันเลยนะเหตุการณ์แรกเนี่ยมันคือวันร้ายวันซวยนะพูดง่ายแบบชาวชบ้านคือวันซวยเพราะว่ามีเรื่องเกิดขึ้นมาเป็นเป็นลูกโซ่เลยมันมีแง่ขี่อยู่สองประการนะคือว่าวันที่เราคิดว่าเรียกว่าวันซวยเนี่ยนะ ที่จมันมีมันไม่ใช่เกิดขึ้นแบบประดังประเดยเ ข, ข้ามานะมันมีมันเกิดขึ้นแบบเป็นลูกโซ่เหตุการณ์หนึ่งไปทําให้เกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์สองทำให้เกิดเหตุการณ<อ>์ เ, เหตุการณ์3นะกว่ามาจนเหตุการณ์ที่10เนี่ยนะมันก็เกิดเรื่องเกิดราวกันมากมายมันไม่ใช่ว่าเกิดโชคไม่ดีประดังประเดยเข้ามาแต่มันเริ่มต้นจากจุดจุดหนึ่งแล้วมันก็สง่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ วันไม่ดีของคนเรานี่มันมักจะเป็นอย่างนั้นวันซวนคนเรามักจะเป็นอย่างนั้นมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแต่ถาว่าจุดเล็กๆนั่นคือจุดอะไรอย่างที่นตมาบอกนะมันไม่ได้เกิดจากการที่ลูกสาวทงแก้าตกแต่มันเกิดจากการที่พ่อเนี่ยไม่มีสตินะใช้อารมณ์กับลูกถ้าเพียงแต่พ่อเนี่ยมีสตินะแล้วก็พูดกับลูกดีๆเนี่ยวันนั้นก็จะกลายเป็นวันดีของเขาไป นะเห็นไหมฮ ะ, ะวันดีหรือวันร้ายเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราว่าเราจะรับมือกับเหตุการณ์อย่างไรลูกทำแก้วน้ำตกไม่ใช่ปัญหาปัญไายทว่าพ่อเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นถ้ามีสตินะใช้ปิยวาจา เป็นต้นนะมันก็ทําให้วันนั้นเนี่ยกลายเป็นวันดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงว่าวันร้ายหรือวันดีที่เราเนี่ยนะนอกจากหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่ผิดศีลเราทําความดีแล้วเนี่ยยังมีความหมายต่อไปว่าเราเนี่ยมีสติเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาอาจจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆ ที่จริงถ้าสาวต่อไปนะก็จะพบว่าตอนเช้าเนี่ยก่อนที่พ่อเนี่ยจะลงมากินข้าวเนี่ยมันมีความแตกต่างนะถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยตื่นขึ้นมายังไม่ทันจะล้างหน้าเลยนะหูฟันก็เปิดโทรศัพท์มือถือมาเช็คอย่างนี้ควรที้เป็นอย่างนี้นะฮะ จะหยิบโทรศัพมทม์มือถือเนี่ยมาดูข่าวมาดูข้อมูลข่าวสารเนี่ยภายในเวลา15นาทีเมื่อตื่นนอน 80% นะพวกเราเป็นหรือเป่าแสดงว่าเราเป็นคนส่วนน้อยนะส่วนใหญ่เนี่ยนะตื่นขึ้นมาเนี่ยภายใน15นาทีนะจะคว้าโทรศัพท์มือถือมาเช็คลายเฟ o บุ๊กบอกว่าเจอคอมเมนต์นะที่ทำให้ตัวเนี่ยเกิดความหมางุดหงิด เจอข่าวการให้สัมภาษณ์นักการเมืองบางคนที่ทำให้หัวเสียวันนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยก่อนที่จะลงมาหาลูกเนี่ยนะหัวเสียตั้งแต่เช้าแล้ว น, นพอเจอลูกเนี่ยนะทำการล้มตกนี้ก็ใสเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยนะตื่นขึ้นมานั่งสมาธินะหรือว่าตั้งจิตว่าวันนี้เราจะใช้ชีวชิตอย่างมีสติเราจะทำความดี เราจะพูดเราจะทำในสิ่งที่เป็นกุศลอาจจะมีการสวดมนต์มีการแผ่เมตตามีการเจริญสติเมื่อลงมาเนี่ยเจอลูกทำแกน้ำตกพ่อเป็นไงมีสติทันนะแทนที่จะใช้อารมณ์กับลูกก็พูดกับลูกดีๆเห็นไหมฮะว่าวันดีหรือวันร้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเราเริ่มต้นอย่างไรในแต่ละวันนะ ถ้าเราเริ่มต้นแบบไม่มีสตินะเพราะว่าไปเปิดรับข้อมูลข่าวสารนะที่ทำให้เหน่อยความหงุดหงิดหัวเสียมันก็จะส่งผล ก, กระทบไปลูกโซ่ทำให้วันนั้นเป็นวันสวยทั้งวันก็ได้แต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยใจที่มีสตินะน้อมนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลมีการสวดมนต์เป็นต้นนะมันก็ทำให้วันนั้นกลายเป็นวันดีขึ้นมาได้มันไม่ได้ที่ดวงดาว มันไม่อยู่ที่ฟ้าดินอันนั้นเป็นตัวรองนะคนเราเนี่ยนะจะว่าไปแล้วเนี่ยสามารถจะเป็นคนกำหนดว่าชีวิตของเราในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรจริงอยู่แล้วกำหนดไม่ได้นะว่าคนจะต้องพูดดีกับเราหรือไม่ เรากาหนดไม่ได้ว่ารถเนี่ยจะไม่ติดใช่ไหมฮะเรากำหนดไม่ได้ว่าดนฟ่าการจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่เราคุมไม่ได้แต่สิ่งนี้ที่เราคุมได้คือว่าปฏิกิริยาหรือท่าทีของเราต่อสิ่งภายนอกขับรถอยู่อาจจะเกิดอุบัติเหตุข้างหน้า แต่ถ้าเรามีสตินะเราก็ไม่หงุดหงิดไม่หัวเสียระหว่างที่เราเขียนคอมระหว่างทีร่รอโทรศัพท์ระหว่างที่เรารอรถร อ, รอช่วงที่รอรถติดนะก็อาจจะหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็เล่น Facebook เนื่องจากเราไม่หัวเสียเราก็เขียนคอมเมนต์แบบที่สบายๆก็ไม่เกิดผลกระทบอะไรที่เสียหาย แต่ถ้าเกิดเราหงุดหงิดขึ้นมานะะที่รถติดเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุเราเขียนคอมเมนต์ลงไปใน Facebook เขียนข้อความประเภทว่าโจมตีวิพากษ์วิจาร่างต่างบอกว่าเกิดปัญหาตามมาเดี๋ยวนี้ชื่อคนหลายคนเนี่ยเสียไปนะเพียงเพราะว่าการเขียนข้อความบางข้อความใน Facebook หรือว่าในโซเชียลมีเดียแบบไม่มระมัดระวัง ด, วด้วยอารมณ์ ก็ทำให้วันนั้นเนี่ยหรือว่าเหตุการณ์ต่อมาย่ำแย่มุมมองก็สำคัญนะนอกจากการที่เรามีสติในกา ร, รเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยมุมมองสำคัญถ้าเรามองไม่เป็นนะแม้เราจะได้โชคได้ลาบได้อะไรต่ออะไรมากมายนะเราก็อาจจะเครียด เราก็อาจจะท้อแท้กลุ้ม อ, อกกลุ่มใจเพราะเรามองเห็นแต่สิ่งที่เป็นปัญหาที่ไม่สมหวังนะพวกเราที่รู้จักซิกโก้ใช่ไหมฮะซิกโก้กีเรซักเสียหนาเมืองเป็นใครไม่ต้องอธิบายก็ทุกคนก็รู้นะก่อนที่เขาจะมาเป็นโค้ชทีมชาตินะที่กาลังเป็นขวัญใจคนไทยเนี่ยเเป็นนักกีฬาลนักฟุตบอลที่มีชื่อเป็นซ u เปอร์สตาร์ เป็นกับตันทีมชาติและภายหลังนี้เขาก็เบนเข็นไปเป็นนักกีฬาอาชีพไปค์ทแข่งต่างประเทศมีช่วงหนึ่งเขาเป็นข่าวใหญ่เพราะเขาได้เซ็นสัญญาไปเป็นนักฟุตบอลให้กับสโมสองอังกฤษเดิวชั่น1 น, นะดิวชั่นต้นเลยาคนไทยก็รอว่าจะได้เห็นกฤษฎาเนี่ยลงสนามในนามสโมสองอังกฤษชื่อดัง แต่จนรอดจอดกิติศักดิ์ก็ไม่เคยได้เล่นเป็นตัวจริงสักทีแล้วก็ไม่เคยได้ลงสนามด้วยเพราะว่าได้แต่นั่งอยู่ข้างสนามเป็นตัวสำรองเขาเครียดมากเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าท้อทแท้รู้สึกทุรนทุรายนอนไม่หลับรู้สึกว่าการไปอังกฤษครั้งนั้นเนี่ยเป็นความล้มเหลวเขาบอกใช้เวลาทำใจยอยู่นานนะ แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้มีคนไปสัมภาษณ์เขาถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเขายิ้มฮะเขายินมแล้วเขาบอกไม่ไม่ไมีอะไร ม, มันไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ผมมองไม่เห็นเองผมมองไม่เป็นมองไม่ออกมองไม่เห็นอะไรมองไม่ออกอะไรเขาบอกไปอังกฤษครั้งนั้นเนี่ยมันมีแต่ได้กับได้ได้รถได้บ้านได้ภาษาได้พัฒนาร่างกายนะได้พัฒนาทักษะนะ ได้เดินทางได้พบคนหลากหลายได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะฮะแล้วก็ได้สัมผัสกับลีกที่มีสีสันที่สุดในโลกเสียอย่างเดียวคือแค่ไม่ได้เล่นตอนนี้เนี่ยเวลาเขานึกย้อนกลับไปเหตุการณ์คราวนั้นเนี่ยเมื่อสิบสี่ปีที่แล้วเนี่ยว่มันเป็นสิ่งที่พิเศษมากมีแต่ได้กับได้แต่ทำไมตอนนั้นเนี่ยเขาทุกเพราะเขามองไม่เห็นเ้ามองแต่ว่า ฉันไม่ได้เล่นฉันไม่ได้ลงสนามเห็นไหมฮะถ้ามองไม่เป็นนะมันก็เห็นแต่ทุกข์อะแล้วก็เลยมองว่าการไปอังกฤษทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นความรุ่มเหลวเป็นความทุกข์แต่เขาก็มองอีกมุมหนึ่งนะโอ้มันมีแต่ได้กับได้มันเป็นโอกาสที่พิเศษที่พิเศษมากตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าการไปช่วงเวลาที่อยู่ อังกฤษเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายแต่ตอนนี้เขาไม่ได้มองอย่างนั้นละเขามองว่าเป็นเป็นเวลาที่ดีเป็นโอกาสที่ดีเหตุการณ์เหมือนเดิมใช่ไหมฮะแต่ความรู้สึกเปลี่ยนไปเพราะอะไรมุมมองนะมุมมองสำคัญนะถ้ามองไม่เป็นนะได้โชคได้ลาบ ก็ จ, จะปลุ่มใจมีตัวอย่างที่ตามานำมาพูดหลายครั้งนะแล้วก็มันก็ให้ข้อคิดที่ดีกับคนฟังทุกครั้งไปเพื่อตามาเนี่ยเป็นคนที่เล่นหุ้นนะเล่นหุ้นเป็นอาชีพแต่ตอนนี้เลิกไปแล้วนะเพราะว่าลูกเสือการเล่นหุ้นนี่มันเครียดตอนนี้เขาคิดว่าเขาขอมีความสุขเขาไม่เอาเงินแล้วแต่ตอนที่เขาเล่นหุ้นเนี่ยนะ เมื่อสักเสร็จปีที่แล้วเนี่ยเขาไปเจอคุณป้าคนนึงที่ตลาดทุนคุณป้าคนนี้ก็เล่นหุ้นเหมือนเขาคุณป้าเนี่ยบอกเขาว่าเมื่อสามสี่วันก่อนเขาซื้อเขาขายหุ้นไปตัวหนึ่งล็อตใหญ่เลยนะได้กาไรสิบล้านบาทเพื่อมาก็เลยบอกว่าขอแสงความยิดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกว่า ยินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายวันนี้ฉันได้กําไรแล้ว20ล้านคุณป้าได้10ล้านไม่มีความสุขนะคุณป้าไม่เชื่อตัวเองได้10ล้านคุณป้าเชื่อตัวเองเสีย10ล้านนะฮะวันรุ่งขึ้นคุณป้าก็ไม่มาตลาดหุ้นเพื่อนตามาก็เลยไปถามมาเก็ตติ้งว่าคุณป้าหาไปไหนมาเก็ตติ้งเนี่ยเป็นลูกค้าคุณป้าจะเป็นลูกค้ามาเก็ตติ้งเนี่ยก็ได้คําตอบว่าคุณป้าเข้าโรงพยาบาลแล้ว เป็นอะไรฮะเครียดเครียดที่ได้แค่สิบล้านการที่คุณได้ส0บล้านนี่คือโชคใช่ไหมโอ้มันยิ่งกว่าถูรัตเตอรี่นะรอตเตอรี่เนี่ยได้ไม่ถึงขนาดนี้นี่ต้องซื้อถึงสี่ใบนะเพืจะได้สิบล้านมันน่าจะเป็นวันดีใช่ไหมได้สิบล้านนะแต่คุณป้ามองว่าคือวันท้ายเพราะว่าน่าจะได้ยี่สิบล้าน มองไม่เป็นนะได้คือเสียแต่ถ้ามองเป็นเนี่ยเสียคือได้เงินหายนะโทรศัพท์หายมองเป็นนะเออเขามาสอนให้เรารู้จักระมัดระวังนะไม่ประมาทหรือเขามาสอนให้เรารู้จักปล่อยวาง เพราะว่าถ้าแค่นี่ยังปล่อยวางไม่ได้1มื่นสองหมื่นหรือแสนหนึ่งก็ตามเนี่ยแล้วถึงเวลาตายเนี่ยจะปล่อยวางได้อย่างไงจะตายดีได้หรอเพราะว่าเวลาตายเนี่ยนะมีสิบล้านก็หมดทั้งสิบล้านมีร0อยล้านก็หมดทั้งร้อยล้านใช่ไหมหลายคนเนี่ยนะเขามองว่าเออการที่เสียเงินหรือถูกโกงไปเนี่ย ก็ได้นะได้ฝึกใจได้เรียนรู้การปล่อยวางได้ธรรมะเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะเจ็บป่วยเนี่ยสำหรบับบางคนเนี่ยเมื่อตัวเองพราบว่าเป็นมะเร็งเนี่ยโอ้ยครอบกรรมเลยหลายคนยกสูตวัณนี่คือครอบกรรมทำไมต้องเป็นชั้น ท่านรู้ากทำความที่สร้างบุญสร้างบุญสร้างบุามามมทำไมท่านต้องเป็นมะเร็งแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีหลายคนนะอุทานขึ้นมาว่าขอบคุณที่เป็นมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งจากเดิมที่เป็นเคราะห์เนี่ยมันกลายเป็นโชคไปแล้วมะเร็งก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าถ้ามองเป็นนะมันกลายเป็นโชค เพราะอะไรเพราะว่าเมเร็งทำให้เขาได้มาพบธรรมะถ้าไม่เป็นเมเร็งก็คงยังเพลินกับโลกยังเพลิอกับกิเลสหรือแม่ก็เอาแต่ธรรมะหากินจนลืมความสุขที่ประเสริฐคือความสุขที่เกิดจากใจที่สงบความสุขที่เกิดจากจิตที่มีธรรมะเป็นตัวรักษาหลายคนพบธรรมะเมื่อเป็นเมเร็ง แล้วเมื่อได้พบชีวิตไปก็เลยอดไม่ได้ที่จะขอบคุณมะเร็งแล้วก็บอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเคราะห์หรือโชคยังอยู่ที่เรานะมันอยู่ที่ว่าเราจะมองมันอย่างไรนะถ้ามองได้เป็นมันคือเคราะห์แต่ถ้ามองเป็นมันคือโชคอีกตัวอย่างหนึ่งที่อาตมาประทับใจามากนะเด็กอายุสิบสี่ เป็นมะเร็งสมองจิตอาสาไปเยี่ยมก็เห็นเธอเนี่ยผมร่วงก็รู้แล้วว่าเธอเป็นมะเร็งถามไปสักหน่อยก็พบว่าเธอเป็นมะเร็งสมองแต่เธอยิ้มแย้มโอภาปาสายดีชวนจิตอาสานี่วาดรูปจิตอาสาก็งงกันนะนี่เป็นมะเร็งนีมีอารมณ์วาดรูปเหรอเนี่ย พูดไปสักพักเด็กก็บอกว่าหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมียากิเพื่อเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะคนหนึ่งได้สิบล้านแต่ไปโรงพยาบาลเพราะเครียดอีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งสมองแต่ว่ายิ้มนะต่างกันไหมต่างกันตรงที่ตรงไหน ต่างที่มุมมองเห็นไหมฮะถึงแม้คุณได้โชคได้ลามาแค่มองไม่เป็นทุกข์แต่ถึงแม้จะประสบความเจ็บความปวยหรือเจอเคราะห์มองเป็นมันกลายเป็นโชคโชคดีไปอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นการมองบวกก็ได้นะมองบวกการมองบวกเนี่ยคนยังเข้าใจผิดเยอะ เข้าใจว่าโดยเพราะคนที่สนใจธรรมะก็มองว่าอันนี้เป็นการหลอกตัวเองบ้างละเป็นการปรุงแต่งบ้างละทำไมไม่มองตามความเป็นจริงก็เพราะมองตามความเป็นจริงเนี่ยถึงเห็นแบบนี้เพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยมีทั้งบวกและลบก็เหมือนกับกิ่งไม้เทตมานะเล่าเนี่ยนะกิ่งไม้กิ่งหนึ่งเนี่ยนะมันเป็นยาวก็ได้มันสั้นก็ได้เหตุการณ์นึงเนี่ยนะ ถ้าคุณมองลบก็เห็นลบถ้าคุณมองบวกก็เห็นบวกนะเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยมันมีทั้งบวกบวกและลบนะอยู่ที่ว่าเราจะมองอย่างไรใช่ตัวอย่างซิกโก้นี่ก็เป็นตัวอย่างชัดนะว่าฝ่าอังกฤษเนี่ยลบมันก็มีเสียมันก็มีแต่ได้มากกว่าแต่ถ้ามองแต่ถ้าไม่มองบวกนะมันก็เห็นแต่ลบก็คือว่าล้มเหลวไม่ได้เล่นไม่ได้ลงสนาม แต่ถ้ามองบวกโอ้แปรกิจมีแต่ได้กับไดนะ้การมองบวกนี่ก็เป็นมุมมองแบบหนึ่งของพุทธศาสนานะเรียกว่าโยนิโสมนสิการยุติย่างเช่นผู้จ้านี่เคยตรัสว่าเนี่ยเวลาพระไปบินธบารเนี่ยถ้าวันไหนเนี่ยไม่ได้อาหารเลยหรือได้น้อยเนี่ยให้มองว่าเออดี ร่างกายเบาสบายเหมาะกับการปฏิบัติธรรมอันนี้พระเจ้าสอนนะวันนี้ให้มองแบบนี้นะไม่ใช่บโบรธว่าโอ้ฉันไม่มีข้าวแล้วฉันจะปฏิบัติธรรมได้ยังไงนอนดีกว่าไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงปฏิบัติธรรมการกินข้าวนี่ฮะมันก็ทําให้แน่นท้องแน่นแล้วทาให้เหนื่อยเหมือนกันนะพอไม่มีข้าวนะเบานะเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเจ็บป่วย ก็ควรเป็นโอกาสสมบกกับการปฏิบัติธรรมเพราะว่าดีที่ไม่ป่วยหนักกว่า น, นี้แต่จะป่วยหนักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นรีดทำความเพียรซะพระปุณณะก็เป็นตัวอย่างพระปุณณะเนี่ยเป็นพ่อค้าเมืองสุนทรันตาตมาบวชปฏิบัติจกนกระทั่ง คิดว่าพอจะมีอินทรีย์แก่ก้าพอสมควรก็เลยมาทูลลาพระเจ้าขอลากลับไปเมืองสุนทรันตระพระเจ้าก็เป็นห่วงนะก็ท้วงว่าคนสุนทรันตะเนี่ยดุร้ายถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าเขาด่าก็ดีที่เขาไม่ทุบตีพระปุณณะก็ถามว่าพระบุญเจ้าถามว่าแล้วถ้าเขาทุบตีท่านท่านจะคิดอย่างไร พระปุณณก็ตอบว่าเขาทุกตีก็ดีที่เขาไม่เอาก้อนหินมาคว้างแล้วถ้าเขาเอาก้อนหินมาคว้างท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าเขากเอาหินมาคว้างก็ดีที่เขาไม่เอาไม้มาฟาดแล้วถ้าเข้าไม้มาฟาดท่านล่ะพระปุณณก็ตอบว่าเขาไม้มาฟาดก็ดีที่เขาไม่เอาของแหลมมาแทงแล้วถ้าเขาเอาของแหลมมาแทงท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณก็ตอบว่าก็ดีที่เขาไม่ฆ่าให้ตาย นี่เจ้าก็เลยถามต่อไปว่าเป็นคำถามสุดท้ายว่ า, วาเราทักเ่าฆ่าท่านให้ตายท่านจะคิดอย่างไรพระบุณ้ะก็ตอบว่าคนบางคนอยากจะตายก็ต้องไปหามีหรือมันก็ต้องไปจ้างคนมาฆ่าแต่นี่ถ้ามีคนมาฆ่าพระองค์นะก็ดีเหมือนกันคือไม่เหนื่อยนะเห็นไหมพระพุณ้ะที่ท่านมองว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านดีทั้งนั้นนะดีที่ไม่แย่ไปกว่า น, นี้นี่คือมองบวกนะ มองว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นสำหรับบางคนโอ้โหเขาทุบตีเขาด่าว่าเขาเอาก้อนหินมา้าเนี่ยโอ้โหแย่ซวยนะเอมัมาฟากโอ้ซวยแต่พอมออยมุมหนึ่งนะเออดีฮะนะดีที่ไม่แย่ไปกว่า น, นี้กุเจ้าก็เลยเห็นว่าพระปุณนานเนี่ยมีปัญญาพอตัวแล้วก็เลยอนุญาตให้ไปมองสุนารังตาร์บอกว่าไปนี่ก็สามารถที่ ช, ชนะใจคนสุนังตาได้ อันมาสมาธาธมพิทธษศาสนาแล้วพระบุณ น, นะไม่นานก็จะเป็นพระอรหันต์นะครับเพราะงั้นเะนี่ยการการมองบวกเนี่ยนะมันมันช่วยเราได้เยอะนะอะไรเกิดขึ้นกับเราจะกลายเป็นดีไปหมดนะเงินหายก็ดีนะ ที่หายแต่งเงินนะแทนที่จะโทรศัพท์หายโทรศัพท์หายก็ดีนะดีที่รถไม่หายรถหายก็ดีนะที่เพี่องดีที่ดีกว่าป่วยนะป่วยเป็นโรคเป็นโรคกระกเพาะเพี่องดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งหรือขนาดเป็นมะเร็ง ก็ยังดีนะที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะมองแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้หลอกตัวเองนะแต่มันทำให้ไม่ทุกข์กายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์เสียแต่เงินแต่ใจไม่เสียคนบางคนนี่มองไม่เป็นนะพอเงินเสียนะแทนที่จะเสียเงินอย่างเดียวเสียใจด้วยแล้วพอเสียใจใช่ไหม ถ้าเสียใจมากๆเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เสียสุขภาพเสียสุขภาพก็ทําให้เสียงานหรือแต่ถึงแม้หรือบางคนอาจจะไม่เสียสุขภาพแต่ว่าเครียดมากๆเนี่ยทางานก็ไม่ได้เสียงานเสียใจเสียสุขภาพเสียงานแล้วเสียอะไรตามมาเสียเพื่อนหงุดหงิดนะ เพื่อนมาม า, มาลอกก็ด่าเพื่อนทะเลาะ ก, กันเสียเพื่อนอีกหรือบางทีเสียสมรรถภาพหุดหิดใสลูกหุดหิดใสพ่อแม่หุดหิดใส่คนรักนะโอ้มันจากเสียงเงินนะกลายเป็นเสียงนนเสียนี่เป็นลูกโซ่เลยอันนั้นไม่ใช่วิสัยคนฉลาดคนฉลาดเนี่ยเสียเงินนะก็จะเสียแค่นั้น แต่จะไม่เสียใจเมื่อช้านี้มีคนมามีคนมาอาตมาไปแสดงธรรมที่แห่งหนึ่งนะก็มีคนมาบอกมาปรึกษาว่ามีความทุกข์ทุกเรื่องอะไรเงินเดือนน้อยอาตมาก็เลยบอกว่าเงินเดือนเงินเดือนน้อยเนี่นะมันเพราะว่าเรามีความต้องการมากถ้าเราเปลี่ยนความต้องการมากให้การให้การความต้องการน้อยนะ เงินเดือนน้อยจะกลายเป็นเงินเดือนมากใช่ไหมฮอยากจะให้เงินเดินมากนี่ไม่ต้องรอให้เจ้านายมาขึ้นไม่รู้เมื่อไหร่คุณแค่ลดความต้องการลงเนี่ยนะลดความต้องการจากมากเป็นน้อยไอ้เงินเดือนน้อยจะกลายเป็นเงินเดือนมากใช่ไหมเพราะคุณจะมีเงินเหลือเพราะคุณมีความต้องการน้อยลงง่ายนิดเดียวนะทําเงินเดือนน้อยให้เป็นเงินเดือนมากเนี่ยคือลดความต้องการแต่บางคนเนี่ยนะเขามีความจําเป็น รายเนี่ยแต่มาก็ไม่ทราบเขามีความจาเป็นหรือเปล่านะเขาถึงเป็นทุกข์เพรองเงินเดือนน้อยเช่นก็อาจจะต้องส่งลูกไปโรงเรียนไปต้องจ่ายค่ารักษาเพยาบของพ่อแม่อันนี้ก็น่าเห็นใจนะก็บอกเข้าไปว่าถึงแม้เงินเดือนน้อยแต่อย่าให้ใจทุกข์นี่คือสิ่งที่คุณทําได้แต่ถ้ า, างเงินเดือนน้อยแล้วเนี่ยแล้วก็เอาแต่คิดว่าใช้เงินเดือนน้อยใช้เงินเดือนน้อยใจก็ทุกข์พอใจทุกข์แล้วนะ กินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายก็ไม่สบายเคลียป่วยเสียใจเสียสุขภาพเสียงานแล้วก็เสียสมรรถภาพตามมานะบางทีเสียยิงกันนั้นนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้ไปดูตมาได้ไปดูได้เห็นวิดีโอคลิปทางเฟซบุ๊กนะประเทศจีนมีผู้หญิงเนี่ยมากับแฟน มีคนบังเอิญถ่ายไว้ตรงคล้ายๆเป็นเป็นตลาดผู้หญิงเนี่ยอยากได้ iPhone 6ให้แฟนซื้อให้แฟนไม่ซื้อก็เลยการเกิดการต่อเล่าต่อเฉียงกันแฟนโกรธมากและแฟนประท้วงทำยังไงฮะถอดเสื้อถอดกางเกงถอดยกทรงแล้วก็ถอดกางเกงในปเปลือยหมดเลยประท้วงสา ม, มีฮะหรือประท้วงแฟนไม่ทราบนะ แฟนนี่นก็ใจเด่นนะไม่สนใจเลยนะประท้วงกับประท้วงไปกูไม่สนนะนตาก็ไม่ทราบว่าทำนี่มากี่ครั้งนะถึงทำได้แบบเร็วมากเลยนะ <c oughs> ก็อย่างนั้นแหละคนเดินผ่านไปผ่านมานะก็คงงงเกิดอะไรขึ้นผู้ชายก็ไม่สนใจจนกระทั่ง้มีคนแปกหน้านี่มาช่วย เก็บเสื้อผ้าเนี่ยให้เธอใส่เธอก็ได้สติขึ้นมาก็ใส่เสื้อผ้าอันนี้คือนะคือเมื่อไม่ได้เนี่ยนะเมื่อไม่ได้ไอโฟนเนี่ยก็ให้มันเพียงแต่ว่าไม่ได้แต่ใจไม่เสียแต่พอใจเสียโกรธโมโหมันทําอะไรมากกว่า น, นั้นเยอะลืมตัวฮะจะประท้วงหรือว่าจะพโรโกรธก็ไปซ้ำนะแต่ลืมตัว แล้วก็เลยเสียเสียเสียมากเลยนะเสียหน้านะเป็นข่าวไปทั่วโลกแต่ถ้าเกิดว่าเราเราฉลาด น, นะเสียเงินแต่ว่าได้ธรรมะนะเสียของแต่ได้ปัญญาเมื่อประมาณปีห้าสีเนี่ยนะมันมีน้ำท่วมใหญ่นะเราคงทราบ คนเป็นล้านเนี่ยสูญเสียทรัพย์สินเงินทองบางคนก็สิ้นเนื้อประดาตัวหลายคนทําใจไม่ได้นอกจากเสียทรัพย์แล้วเนี่ยก็เสียสุขภาพจิตจนเสียจริตบางคนเสียชีวิตเลยนะฆ่าตัวตายแต่มีคนนึงเนี่ยนะเสียเยอะเหมือนกันแต่ว่าเธอไม่ทุกข์เธอยิ้มได้เธอบอกว่า น้ำท่วมคราวนี้มันมาสอนให้เธอได้เห็นเลยนะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงมันอยู่กับเรากินแค่ชั่วคราวซักวันหนึ่งมันก็ต้องไปถ้าไม่ใช่โดนน้ําพัดไปาา ก, ก็อาจจะโดนไฟไหม้หรือว่ามีคนเอาไปและที่แน่ก็คือว่าถึงแม้ไม่โดนน้าพัดไม่โดนไฟไหม้ไม่มีใคราไปถึงเวลาตายมันก็หมดเหมือนกัน เรล้ระมาเนี่ยนี่คือตัวอย่างว่าเสียคือได้เสียทรัพย์แต่ได้ธรรมะได้ปัญญาและปัญญาแบบ น, นี้เนี่ยนะมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะเสียทรัพย์เนี่ยหาใหม่ได้แต่ว่าถ้าเสียปัญญาไม่มีปัญญาแบบ น, นี้เนี่ย เสียเท่าไหร่เสียเท่าไหร่ก็ทุกการที่เธอมีปัญญาแบบ น, นี้เนี่ ย, ม, ม, ย ม, มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าต่อไปถ้าเธอเสียอีกศูญย์เสียอีกเนี่ยเธอก็ไม่ทุกข์แล้วใช่ไหมอันนี้แหละคือความหมายที่ว่าได้เสียคือไดนะ้มันกลายเป็นโชคขึ้นมาเพราะว่าได้ธรรมะจากเหตุการณ์นี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันดีหรือวันร้ายเนี่ยนะมันอยู่ที่เราแท้ๆเลยถึงแม้ว่าเราจะไปควบคุมเหตุการณ์ภายนอกไม่ได้อาจจะเกิดความสูญเสียอาจจะเกิดความเจ็บป่วยอาจจะมีคนมาต่อว่าด่าทอแต่ถ้าเราวางใจเป็นมองถูก นะเราไม่ทุกข์เราได้ต่อว่าดาทอากเหมือนกันนะบางคนเนี่ยพอตอถูกคนต่อว่าดาทอเนี่ยวันนี้คือวันสวยแล้วแต่มีเศรษฐีคนหนึ่งนะเป็นผู้ก่อสร้างเมืองโบราณผู้ก่อตั้งวิริยะประกันภัยคุณเล็กวิริยะพันธ์รวยมากแต่ติดดิน จะเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตาหนิวันนั้นเป็นอภิมงคลนะหลายคนเนี่ยถ้าวันไหนถูกตําหนิวันนั้นคือความซวยแต่คุณเล็กเนี่ยเคมองว่าวันไหนถูกตําหนิวันนั้นเป็นมงคลวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอภนะิมงคลนะมงคลไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ชื่อมงคลมันไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ที่มาปลูกนะฮะไม่ได้อยู่ที่สีรถ มันอยู่ที่มุมมองฮ ะ, ฮะถูกตำหนิก็เป็นมงคลได้เพราะเห็นประโยชน์จากคำตำหนิประโยชน์อะไรบ้างก็ทำให้เราได้เห็นสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขช่วยลดละอัตราคนที่เป็นเศรษฐีคนที่เป็นข้าบดีคนที่เป็นเจ้านายเนี่ยมักจะมีคนประจบประแ จ, จงก้อยอจนกระทั่งหลงตัวลืมตนพอนถูกตำหนิมันก็ทำให้ได้สติว่าเออเรานี่ ไม่ใช่เทวดานะเราเป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดได้อันนี้ดีฮะผู้เจ้าตรัสว่าคนที่ชี้โทษเราเนี่ยคือผู้ชี้ขุมทรัพย์นะควครคบปู่คนเช่นนั้นคนชี้โทษเนี่ยนะเขาชี้ขุมทรัพย์ความผิดพลาดที่ถูกแสดงให้เห็นเนี่ยมันคือประโยชน์นะ ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยนะใครก็ททำอะไรเราใครก็ตตอว่าอะไรเราเรามีแต่ได้นะได้แง่คิดได้บทเรียนได้เห็นข้อบุก ค, คร่องได้เห็นได้เข้าใจเรื่องโลกธรรมแปลเพื่อต่อมาคนหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับการกลับคืนสู่ธรรมชาติคือโจรจันดนะโจรจันดเนี่ยเขา อ่าทีนี้เป็นแรงประดานใจคนหนุ่มสาวเนี่ยกลับไปทํางานใช้ชีวิตกับไร่กับนากับสวนดูอย่างเรียบง่ายแต่ว่าตอนที่เขายังหนุ่มเนี่ยนะเขาอยากรวยเป็นคนอื่นเขาก็เลยเข้ากรุงเขาไปเป็นเขาไม่มีความรู้มากแต่อยากรวยก็เลยไปทํางานสารพัดงานนึงก็คือเป็นพนักงาน ทำความสาดโรงแรงเจ้านายของเขาเนี่ยเป็นแม่บ้านซึ่งโจนบอกว่าไม่เคยเจอเลยผู้หญิงคนแบบนี้คือเจอหน้าก็ด่าเจอหน้าก็ว่านะถ้าเราเจอเจ้านายแบบนี้เนี่ยมันคือสวยไหยสวยนะวันหนึ่งเนี่ยแม่บ้านให้เขาเนี่ยให้โจนเนี่ยไปขัดไปขัดอ่ลูกบิดประตูลูกกรอนลูกบิดนะประตูเนี่ยห้องพัก ของแขกเอาประโซไปให้ขัดแกก็ขัดนะแล้วแกก็แม่บ้านก็คุมด้วยโจนก็ขัดไปเกือบจะเสร็จแล้วนะผู้จัดการโรงแรมมาพอเห็นเนี่ยก็ว่าโจนเลยนะขัดได้ยังไงประโซมันขัดไม่ได้ไอ้ลูกบิดแบบนี้แม่บ้านเนี่ยซึ่งสั่งเขาเองนะให้ขัดนะซ้ำเติมก็เล ย, เ, ยเธอมันโง่ขัดได้ยังไงนะ โอ้โหเนี่เจอแม่บ้านงี้นี่จนทํางไง ร, รู้ไหมช่วงหนึ่งแกโกรธ น, นะแต่สักพักเนี่ยแกได้สติแกพนมมือยิ้มแล้วก็บอกว่าขอโทษครับแล้วก็พูดว่าขอบคุณครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาแม่บ้านด่าแกนะแกก็จะพนมมือไหวย้ยิ้มแล้วก็บอกขอโทษครับพนัก ง, งานโรงแรมเนี่ยหาว่าแก ง, งู ให้เขาขม่มบางคนก็หาว่าแกบ้านะถูกด่าแต่ยิ้มจนทั่งผ่านไปเป็นเดือนนะแม่บ้านก็เรียกมาสงสัยนะว่าทำไมเวลาฉันด่าเธอเนี่ยเธอถึงยิ้มไอ้เธอถึงพนมือไหว้ฉันแล้วก็บอกขอโทษบอกขอบคุณจวนก็บอกว่าที่ขอบคุณก็เพราะว่าแม่บ้านเนี่ยได้มาเตือนให้ผมหันมาดูจิตดูใจของตัว แล้วก็จัดการจิตใจไม่ให้โกรธนะหลายครั้งผมก็รู้ว่าผมไม่ได้ทำผิดแล้วก็รู้ว่าแม่บ้านก็พูดไปพูดไปอย่างนั้นมันเป็นความสุขของแม่บ้านที่ได้ดา่าแต่ผมก็ได้เห็นใจของตัวแล้วก็ได้ขัดเกลาแกเียวพูดตรงๆน ะ, ะบอกว่านับแต่นั้นนะแม่บ้านนะเลิกด่ากันเลยโจรชนะใจแม่บ้าน หลายครั้งเราคิดว่าเอาเนี่ยถ้าเราเจอแม่บ้านอย่างนี้เจอเจ้านายไปเนี่ยโหสวยแล้วเราคิดว่าจะถ้าสักวันนี้ต้องสู้ก็ต้องคือต้องด่ากับ น, นะแต่การด่าก็คือการจองเวยกนันแหละคือทําให้มันไม่จบไม่สิน้นสิ่งที่โจนทําเนี่ยเขาไม่ได้ทําเพื่อจะเอาชนะใจแม่บ้านนะเขาเพียงแต่ต้องการจะฝึกใจตนเองแล้วเขาก็เลยขอบคุณด้วยความจริงใจการถูกด่าเนี่ยสาระโจนคือการที่ ได้ฝึกฝนเป็นประโยชน์นะถูกด่าไม่ได้แปลว่าซวยถูกด่าแปลว่าเป็นโอกาสได้ฝึกคนที่ถูกด่าแล้วไม่ทุกข์ก็มีนะเวทถ้าเราทุกข์เนี่ยเมื่อถูกด่าหรืออย่าว่าแต่ด่าเลยนะถูกท้วงติงบางทีก็ทุกข์หรือบางทีแค่ไม่กดไลค์ก็ทุกข์แล้วนะอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องคอมเมนต์นะแค่ไม่กดไลค์ก็ทุกข์แล้วมีเพื่อนเนี่ยนะเด็กลูกลูกเขาลูกเพื่อนนะ อัพสเตตัสขึ้นมาแล้วไม่มีใครกดไลน์ต้องไปบอกเพื่อนใะห้ช่วยกดไลน์ให้หน่อยไปส่งทางไลนะ์แล้วบอกทางไลนะ์ล้วเธอกดไลน์ฉันหน่อยทุกนะักเดี๋ยนนี้คน ร, รุ่นใหม่ทุกเพียงแค่ไม่ชมมันก็ทุกข์แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องการทวงการติงการตำหนิแต่ถ้าทุกข์เมื่อไหร่นะมันไม่ใช่เป็นเพราะเขานะแต่ เ, เพราะใจเราถ้าโจนเป็นตัวอย่างนะว่าด่าไปเนี่ยถ้าเรามองมุมนึงนะเราขอบคุณ นะหรว อ, อย่างที่คุณเล็กคุเลกพันบอกว่าถ้าถูกตำหนิวันนั้นเป็นมงคลวันนั้นไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นไมป็นมงคลสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะเราม่อจะเรียกร้องว่าเราอยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราเราทำบุญทำกุศลเนี่ยก็ได้แต่เรียกร้องว่าทำยังไงถึงจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าวางใจไม่เป็นนะมีสิ่งดีเกิดขึ้นเราก็ทุกข์เราก็ไม่พอใจ สิ่งดีเกิดขึ้นกับเราแล้วคือขายหุ้นได้กำไรสิบล้านแต่ว่าลงเอยได้ไปโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะวางใจไม่เป็นเราไม่สามารถจะเรียกร้องให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเรารู้จักมองวางใจให้เป็นมเมื่อมันเจอสิ่งร้า ย, ายเราไม่ทุกเจอคนไม่น่ารักเราก็ไม่ทุก อันนี้ภาษารบุตรท่านสอนเลยนะท่านสอนเนี่ยเวลาเจอคนนะให้มองแบบนี้ว่าเขาอาจจะมีพฤติกรรมทางกายไม่ดีไม่เรียบไม่เรียบร้อยแต่เขามีถ้าเขามีพฤติกรรมทางวาจาที่หมดจดเรียบร้อยให้ใส่ใจกับพฤติกรรมทางวาจาของเขาอย่าไปสนใจพฤติกรรมทางกายที่ไม่เรียบร้อย ให้มองแต่ด้านบวกของเขาเปรียบเหมือนกับเห็นผ้าตกอยู่บนพื้นเป็นขยะมันมีบางส่วนที่ใช้ได้ก็ฉีกมันมาสมัยก่อนพระเนี่ยนะจีวรพระเนี่ยก็ได้มาจากได้มาจากขยะเนี่ยนะได้มาจากผ้าขอสพ บ, บ้างได้มาจากผ้าที่ทิ้งตามพื้นถึงเรียก บ, บางสคุณมาสมุลว่าผ้าเื้นฝุน่นไอ้ผ้าที่เป็นขยะเนี่ยมันมีประโยชน์นะ เอามาใช้ทําจีวรได้คนบางคนพฤติกรรมทางกายดีแต่วาจาไม่ดีก็อย่าไปสนใจวาจาที่ไม่ดีนะให้มาสนใจแต่พฤติกรรมทางกายที่ดีความอาฆาตความโกรธจะน้อยลงเปรียบเหมือนกับคนที่เดินทางเหนื่อยแดดร้อนกระหายน้ำไปเจอสระและสรที่มีแต่จ่องแนะ ปกคลุมเต็มหมดเลยทำยังไงฮะอยากจะกินน้ำแต่ว่าจอกแหนมันเต็มไปหมดเลยทำยังไงอนะต้องแหวกใช่ไหมแหวกและะ้วตักนั่นแหละให้มองคนแบบนั้นอย่ามองด้านลบของเขาให้มองด้านบวกนะนี่คือการมองบวกนะที่พระสัตบุรสอนแล้วถ้าเรามองบวกแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นทุกคนนีน่น่ารักไปหมดเลยนะ บางคนปากไม่ดีแต่ว่าพฤติกรรมนิสัยเป็นคนเอเื้อเฟื้อเบื่อเพลนะบางคนปากดีสุภาพพูดจาดีแต่ว่าพฤติกรรมอาจาหน้ารอาล้วก็จดจอ่อเฉพาะส่วนที่ดีของเขาเสร็จไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำทางวาจาหรือว่าการกระทำทางกายก็แล้วแต่แล้วเราจะพบว่ามันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาไม่ใช่เพราะว่า มันมีคนพูดดีกับเราไม่ใช่เพราะว่ามันมีโชคบีบีบาเกิดเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าเป็นเพราะเรารู้จักมองนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะสรุปนะว่าวันดีหรือลายเนี่ยวันได้หรือวันดีเนี่ยมันอยู่ที่เราอยู่ที่การกระทำของเราอยู่ที่มุมมองของเรานะก็พอสมควรแก่เวลานะถ้าจะมีคาถามก็ขอเชิญ คำถามที่ห น, นะคะคือคุณแม่เสียแล้วปั่นเห็นคุณแม่ในฝั่นก็เลยถามว่าใส่บาทไปได้รับไมคุณแม่บอกว่าได้รับแล้วก็บอกว่าจะรีบไปถ้าอยากคุยกับแม่เนี่ยให้ฝึกอภิญญาจริงหรือเปล่าคะแล้วฝึกยังไงอภิน ญ, ญาเนี่ยนั่นะก็ต้องฝึกสมถะนะแล้วก็ต้องสมถะชั้นสูงมันจะได้อภินยาแต่ที่จริงแล้วเนี่ย อาตมาว่าถ้าถ้าแม่อยากจะสนทนากับลูกนะไม่ต้องรอให้ลูกได้กินยาก่อนแม่มาเลยใช่ไหมเพราะว่าแม่น่าจะอยู่ในสถานะที่มาคุยกับแม่มาคุยกับลูกได้ดีกว่าแต่ที่จริงอาจจะไม่ใช่เป็นความพูดของแม่จริงๆก็ได้อาจจะเป็นการคิดไปเองอาจจะเป็นการฝันไปเองนะไอ้บุญเนี่ยทำแล้วถึงแน่แต่ว่าจะคุยกับ สื่อสารกับแม่หรือพ่อเนี่ยนะแต่ ม, มันไม่ต้องใช้ปัญญาเนะนะคะ่ะคำถามที่สองนะเจ้าพะนโมการะอัตท ก, กัตนโม8บทความหมายแปลว่าอะไรและคนสวดบทนี้จะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างเจ้าพระนโม8บทเนี่ยก็เป็นนโมเป็นบทสวดบทหนึ่งที่พระได้สวดนะเวลาจะทําบุญเวลาอ่า จะมีการทำบุญบ้านเนี่ยพระก็จะสวดนะแต่ที่จริงเป็นของใหม่นะหน้าหมวดแปบทเนี่ยอายุอัตมาคิดว่าคงไม่เกินร้อยห้าสิปีก็จะว่าถ้าไม่รัชกาลที่4ก็สมเด็จพระมาสมณเจ้ากรมพระยาวชิริยาภรณ์เป็นผู้ประพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงความความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์นะน่าจะเป็นพุทธพจน์เช่นมงคลมงคลละสูตรมงคลอ่าหรือว่าอ่า พระปริตเนี่ยอาพระปริตเนี่ยนะส่วนตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นพระสูตรนะแม้กระทั่งแม้กระทั่งพาวุงเนี่ยก็เป็นของใหม่ที่ที่เขียนมาทีหลังนะหรือว่าชินนบัญชรเนี่ยก็เป็นของของใหม่อายุไม่เกินพันปีอัตมาว่าถ้าจะเอาความความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอาพระปริตเนี่ยเพราะาเป็นพระสูตรพระสูตรก็คือเชื่อว่ามาจากพระโอร์พระพิจารณ์นะ อัตมาว่าเรามีมีความหมายความความหมายที่ดีในเรื่องธรรมะนโมแบทนี้ก็คือนอโมคือการน้อมน้นอมพระพุทธพระธรรมสงฆ์แต่ว่าแท่งขยายเป็นแนะแต่ว่าเนื้อความนี้ก็คือพระพุทธพระธรรมสงฆ์นั่นเองซึ่งก็คือความหมายเกียวกับอิติปิโสนะค่ะคำถามที่สามนะคะ อยากให้ท่านให้ข้อคิดหรือความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับการที่เราจะต้องไปปฏิบัติธรรมหรือไปทำบุญกับพระสงฆ์หรือวัดที่มีชื่อเสียงหรืออย่างการไปอินเดียเองนะคะการไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนะจุดมุ่งหมายคือไปเพื่อลดเคลนละที่จริงเนี่ยจุดมุ่งหมายเดียวกันถวายทานการรักษาศีลนะจุดมุ่งหมายคือลดละการให้ทานเนี่ยลดละความตนมี นะศีลเนี่ยช่วยลดช่วยละเรื่องโรค ก, กวดหลงนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเป็นภาวนาวิปัสสนาเนี่ยก็เพื่อลดละความยึดติดถือมั่นในตัวตนที่เราอัตตาทุปาทานถ้าไปเนี่ยไปเพื่อมุ่งลดละนะวางใจให้ถูกก็จะได้ประโยชนนะ์เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรต้องเข้าใจให้ชัดก่อนนะจะไปปฏิบัติธรรมกไม่ใช่เป็นต้องวัดมีชื่อเสียงก็ได้ ให้เป็นวัดที่สงบสงัดเป็นวัดที่มีการปฏิบัติตามแนวทางที่เราเชื่อถูกจริตของเราแล้วก็มุ่งเพื่อการลดการละถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยมุ่งที่การได้เช่นอยากจะได้เห็นแสงเห็นสีเห็นหรือว่าเกิดโชคลาภเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันยังเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหลายคนปฏิบัติเพื่อจะเอามีคนมีนับมีลูกศิษย์หลวงพ่อเฟื่องนะ ก็มาบอกหลวงพ่อเฟื่องเนี่ยผมมาภาวนาหลายปีแล้วยังไม่เห็นได้อะไระหลวงพ่อเฟื่องบอกว่าภาวนาเนี่ยเขาภาวนาเพื่อละไม่ใช่เพื่อเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจนี้เนี่ยนะจะไปปฏิบัติที่ไหนหรือว่าจะไปสังเวชสถานมันก็จะได้อันนี้ส่งเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายนะเจ้าคะถามว่าคนปล่อยปููเก็บดอกเป็นการผิดศีลหรือมเจ้าค่ะ เป็นการเลยนะผิดศินผิดสินคือถ้าหากว่าเป็นการเรียกดอกเบีย้ยตามสมควรเพราะดอกเบียเยเย้ยเนี่ยในแง่เขาคือคือการปล่อยกู้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะบางทีอาจจะมีคนเบีย้ยวดังนั้นถ้ามีดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะช่วยช่วยทําให้ความเสี่ยงน้อยลงถึงแม้มีคนเบีย้ยวไปแต่ว่าก็ยังได้ ก็ยังไม่ขาดทุนเพราะว่าได้ดอกเบีย้ยจากที่อื่นมาแต่ว่าถ้าหากว่ า, เ, าเรียกดอกเบีย้ยเกินควรเนี่ยอาจจะไม่ผิดศีนะแต่ผิดธรรมผิดธรรมนี่แ่ที่ว่าโรคตัวหนีหรือว่ามุ่งเบียดเบียนมันก็มีแบบนี้เหมือนกันนะการเรียกดอกเบีย้ยแพงๆเนี่ยไม่ผิดศีนถ้าถ้าไม่มีการโกงใช่ไหมเช่นเขาเอาเอาโฉนดมานะ เสร็จแล้วก็พยายามที่จะยึดชนด น, นั้นด้วยการเติมเติมอะไรตินดอกเบีย้ยหรือเติมต้นเงินต้นนะเขายืมพันเขียนไปหมื่นเขียนไปแสนเนี่ยหลายคนเสียเสียที่ดินนะเพราะว่ามีการเติมตัวเลขแบบนี้นะเองเนี่ยผิดศีลเ น, น่คือผิดศีลข้อที่สองรักขโมยใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าไม่ได้ทําพฤติกรรมอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ผิดศีลแต่จะผิดธรรมในความหมายที่ว่า เอาเปลี่ยเขาเรียกดอกเบี้ยเกินควรนะวัค่ะก็วันนี้นะคะในานามรายการถ่ามาประทีพนะคะขอขลากขอบ พ, พระคุณพระอาจารย์ไพศาลนิสาโรนะคะได้ไม่ต่าง